จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่ทานวันนี้เป็นวันสุขที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรร ม, มัตส ว, วันนวันฝันธรรมวันที่เราจะได้มาศึกษา มาฟังสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเราฟังซ้า อ, อีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยให้หมดไปได้จะช่วยทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง จะทําให้มีจิตใจที่ผ่องใสมีความสุขวันพระจึงเป็นวันมงคลเพราะจะทําให้เรามีความฉลาดมีความสุขทางด้านจิตใจที่เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่าดังนั้นขอให้เรามันเข้าวารา วันหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์การอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะเข้าวัดสักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันธรรมวัฒนาก็คือวันพระนี้เพื่อให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อจะได้มาทาในสิ่ง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงตัวเรานี่คืออะไรตัวเราก็คือจิตใจที่ไม่มีวันตายสิ่งใดที่เราเราทำให้กับจิตใจของเราสิ่งนั้นจะอยู่คู่กับจิตใจของเราแม้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสิ่งที่เราทำให้กับจิตใจ เช่นความสุขความเจริญทางจิตใจก็จะติดตามไปกับใจแต่สิ่งที่เราทําให้กับร่างกายนั้นจะเราจะไม่ได้เอาติดไปกับเราเพราะเป็นของร่างกายแต่ตอร่างกายหมดสภาพไปสิ่งที่เราหาให้กับร่างกายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเช่น ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลาที่เราตายไปเราเอาติดไปกับเราไม่ได้ตายเป็นของลูกหลานไปแต่สิ่งที่เร า, เาติดไปกับเราได้ก็ความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจมีความเจริญอย่างไรความเจริญของใจก็คือพบชาติต่างๆนั่นเอง พบของมนุษย์พบของเทพพบของพรพบของพระอริยบุคคลต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นความเจริญพบพบที่เหนือจากของมนุษย์ก็เรียกว่าพบของเทพพบที่เหนือของเทพก็คือพบของพรพบที่เหนือพบของพรก็คือพบของพระโสดาบัน ของพระสติดาคารีของพระอนาคารีและของพาอาระอรหันต์ความเจริญหลังนี้เราเอาไปกับเราได้สมมติว่าเราทำบุญให้ทานรักษาศีลอย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะกลายเป็นเทพเวลาตายไปใจที่เป็นเทพก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าเรา นั่งสมาธิได้ใจของเราก็จะเป็นผลเวลาร่างกายตายไปใจของเราก็จะไปเป็นผลถ้าเราจเจริญวิปัสสนาได้พิจารณาอนิจจทุกขาอนัตตาพิจารณาอริยสัจสีได้เราก็จะเป็นพระโสดาบันเวลาตายไปเราก็จะเป็นโสดาบันต่อไป ไม่กลับมาเกิดเป็นปุถุชนแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติต่ตอไปเราก็จะขึ้นเป็นพระสะกิณานาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์เป็นขั้นสูงสุดนี่คือความเจริญของจิตใจที่พวกเราสามารถพัฒนาให้กับตัวเราได้และจะเป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา ต่อไปแต่ถ้าเรามาพัฒนาทางด้านาะลาภยศสรรเสริมเราได้เงินสิบล้านได้เงินร้อยล้านได้เงินพันล้านแต่เวลาร่างกายตายไปเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านนี้กลายเป็นของคนอื่นไปตําแหน่งที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามพอตายไปก็กลายเป็น ของคนอื่นไปเช่นเป็นนายกถ้านายกตายไปเขาก็หาคนอื่นมาเป็นนายกต่อไปเราไม่สามารถเอาตำแหน่งนายกไปกับเราได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือตำแหน่งของมนุษย์ตำแหน่งของเทพตำแหน่งของโพรตำแหน่งของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนณาคามีพระอาาหารหันต พระพุทธเจ้านี่เป็นตำแหน่งที่เราเอาไปกับเราได้เพราะว่าตำแหน่งนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจถึงเราตำแหน่งต่างๆไปได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจก็คือการพัฒนาทางด้านจิตใจ อย่าไปบัวหลวงพัฒนาทางด้านร่างกายเพราะเป็นการพัฒนาชั่วคราวได้มาแล้วไม่นานพอร่างกายตายไปสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแต่ถ้าเรามาพัฒนาทางใจสิ่งที่เราได้นี้จะเป็นของเราไปตลอดเช่นถ้าเราทำบุญให้ทานรักษาศีลได้ ตำแหน่งของเทพก็จะเป็นของเราถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ตำแหน่งของพรหมก็จะเป็นของเราถ้าเราจเจริญวิปัสสนาพิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาพิจารณาอาริยสัจสีได้เราก็จะเป็นโสดาบันเป็นเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีจนเป็นพาาาระอรหันต พอเป็นผ้าอารหันแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราพัฒนาไปถึงขั้นอื่นเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่เช่นถ้าเป็นเป็นเทพพอหมดบุญของเทพเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเป็นพรพอหมดบุญของพรก็จะลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะลงมาเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นพระโสดาบาันแล้วอันนี้จะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปจะเป็นพระ อ, อริยะเจ้าจะมีภพชาติเหรือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าขึ้นไปขั้นพระส ก, กิฎรคามีได้ก็จะมีภพชาติเหรือเพียงภพเดียวแล้วถ้าไปเป็นพระ อ, อนาคามีได้ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในสวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นพรหมไม่กลับมาเกิดเป็นเทศไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำให้กับใจของเราได้ เป็นสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะความสุขที่เราได้รับจากตําแหน่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากการมีเงินทองร้อยล้านพันล้านจากการมีตําแหน่งใหญ่โตอันนี้จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของจใจไม่ได้ นี่คือเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจและพยายามทำให้มากเรื่องที่เราควรควรจะหลีกเลี่ยงอยากไปทำก็คือการเดินทางไปสู่อบายอบายนี้ก็คือการเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปผลที่เกิดจากการเสพอบายามุกเช่นสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืน คนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกียดคร้านถ้าเราเสพประบายอางุกก็จะทําให้เราต้องไปทําบาปต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเช่นถ้าเรามีความเกียดคร้านไม่มีความขยันที่จะทำงานทรมาหากินด้วยวิธีสุดเจริญเราก็จะไปทำมาหากินด้วยวิธีที่ทุตเจริญ ไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงดังนั้นนี่คือทางที่พระเจ้าสงสอนว่าอย่าไปไปแล้วจะพบกับความหายนะพบกับความทุกข์พบกับความเสื่อมเสียต่างๆวันนี้เราจึงมาละเว้นการกระทำบาปห้าประการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ รักทรัพย์ประพฤติผิดตระเวนีโกหกหลอกลวงและเสพสุรายาเมาเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายในอบายนี้มีพบอะไรบ้างก็มีพบของเดรัจฉานพบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรก อันนี้ไม่มีใครอยากจะไปกันแต่ถ้าทำบาปแล้วจะอยากหรือไม่อยากก็ต้องไปเหมือนกับคนที่ทำผิดกฎหมายไม่อยากติดคุกไม่อยากรับโทษแต่ถ้าทำผิดกฎหมายแล้วตำรวจจับได้สารตัดสินก็จะต้องไปติดคุกอย่างแน่นอนแต่ทางการทำบาปนี้ไม่มีตำรวจต้องมาติดตาม ไม่มีศาลต้องมาคอยตัดสินทําแล้วหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องมีตำรวจมาตามจับทําผิดกฎหมายนี้ยังมีโอกาสหนีได้ยังมีโอกาสใช้เงินซื้อได้ซื้ออิสรภาพได้แต่บาปนี้ทําแล้วเงินมาแก้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ลบล้างบาปไม่ได้ทําแล้วก็ต้องรอเวลา ที่จะต้องไปใช้บาปอีกต่อไปดังนั้นพระพุจะจทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราอย่าทำบาปกันอย่าไปเสพอบายามุขเพราะการเสพอบายามุขนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปต่อไปเช่นถ้าเราเล่นการพนันเวลาเราสูญเสียเราก็ต้องไปหาเงินแต่เราไม่มีงานทำเราก็ต้องไปโกหกหลอกลวง ขอยืมเงินจากคนนั้นคนนี้แต่พอเราไปเล่นใหม่เงินหมดเราก็ไม่มีเงินที่จะไปคืนเขาอย่างนี้ก็เรียกว่ารักทรัพย์เรียกว่าโกหกหลอกืวงหรอื อ, อถ้าเราไปกู้กับคนที่มีอิทธิพลเขาก็จะมาตางค่าเราได้ถ้าเราไม่จ่ายเงินที่เราไปกู้เขามาถ้าเราอยากจะ หาเงินมาจ่ายให้เขาเราก็อาจจะต้องไปปล้นธนาคารเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้หนี้แต่ถ้าเราไม่เล่นการพ น, นันเราก็จะไม่มีวันที่จะเป็นหนี้เราก็จะไม่ต้องไปมีปัญหากับการไปทำบาปเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองมาใช้หนี้หาเงินหาทองมาเล่นการพนัน เช่นเดียวกับการเดื่มสุรายาเมาการเดื่มสุรายาเมาก็จะทําให้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้เวลามีอารมณ์ไม่ดีก็จะระบายออกมาด้วยวาจาหรือ ด, ด้วยการกระทําเช่นพูดชาหยาบคายพูดจาหาเรื่องหาราวทะเลาะวิวาสกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องมีการต่อสู้กัน ทำลายร่างกายกันแน่อาจจะถึงกับฆ่ากันนี่ก็เพราะว่าเวลาดื่มสุราแล้วไม่มีสติคอยควบคุมความคิดต่างๆคอยควบคุมอารมณ์ไม่มีสติคอยควบคุมการพูดการกระทาคนเมาสุราจึงเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะดูว่าเป็นคนไม่มีสติ รู้ว่าเป็นคนไม่มีเบรคอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทําคนที่อยู่ใกล้ถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวก็จะต้องคอยถอยออกห่างคอยหนีคอยหลบเพราะว่าคนไม่มีสติจะเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการดืม่มโซดาพอไปทําร้ายผู้ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ จบไปหลดโทษหรือถ้าไปขับขี่ยานยนต์ไปขี่จักรยานยนต์ก็อาจจะพลิกคว่ำเสียชีวิตหรือเป็นอมัอมพฤกอัมพาพที่คนทีการไปได้นี่คือเรื่องของการกระทําที่จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียเรื่องของการกระทําที่จะทําให้เราจะต้องไปเกิดในอบ า, าย ไปเกิดเป็นเยราชาบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้เป็นความจริงที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวิธีที่จะทำให้เราไม่ไม่ไปทำบาปก็คือเราต้องมีฮิริโอตบา ฮิริแปลว่าความอายโอตะปะแปลว่าความกลัวกลัวของกลัวผลของบาป ท, ที่ทำกลัวว่าจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกฮิริก็แปลว่าอายอายชาวบา้านเวลาคนทำบาปนี้เป็นคนที่ไม่น่าดูไม่สวยงาม น, น่าอับอายยิ่งกว่าคนไม่มีเสือาา้อผ้าใส คนที่ไม่มีเสื้อผ้าใสอันนั้นก็เป็นเพียงความไม่สวยงามทางร่างกายยังไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อผู่มือแต่ความไม่สวยงามทางจิตใจคือการทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดโเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมานี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้า เพราะไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยถ้าเรามีหิริโอตปะเราก็จะได้ไม่ทำบาปกันดังนั้นขอให้เราทำเรื่องอยู่เรื่อยๆว่าเวลาเราทำบาสนี้ก็เหมือนกับเป็นการใส่เสื้อผ้าที่สกปรกเสื้อผ้าที่ไม่สวยงามเราจะไม่สามารถเข้าสังคมไปกับผู้อื่นได้ เวลาเราจะไปเข้าสังคมไปงานต่างๆเราต้องหาเสื้อผ้าที่สวยที่สะอาดที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะเราไม่อยากจะให้ผู้เขาตำหนิเราว่าเสื้อผ้าสกรปรกไม่สวยงามถ้าเรามีฮิริโอตะปะแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมเราจะไม่ต้องไปใช้ใช้บาปใช้กรรมในอาบายต่อไป นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาก่อตั้งด้วยคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่ตรงกับความจริงความจริงก็คือกฎแห่งกรรมนี่การกระทํานี้เรียกว่ากรรมกรรมก็คือกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็มีผลดีตามมา กรรมชั่วก็มีผลเสียตามมาผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าทาไปแล้วก็จะได้รับผลไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วแต่ถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีจริงเราก็จะได้ไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่มีใครอยากที่จะไปพบกับผลที่ไม่ดี ไม่มีใครอยากจะไปเกิดในอบายไม่มีใครอยากจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่มีใครอยากจะตกนรกมีแต่อยากจะไปสวรรค์มีแต่อยากจะไปเป็นพระอริยเจ้ามีแต่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่ามีแต่อยากจะไปพระนิพพานกัน ดังนั้นความอยากของเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการกระทําของเราไม่มีใครในโลกนี้สามารถมอบสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ให้กับเราได้โดยเฉพาะสมบัติทางด้านจิตใจเช่นพบของเทพข อ, ของพรหมของพระอริยเจ้านี้ไม่มีใครให้เราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ให้เราไม่ได้ พระพุทธเจ้าเพียงแต่ให้คำสอนบอกวิธีว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระอาหารหันต์จะไปพระนิพพานจะไปสวรรค์นี้ทาอย่างไรแต่ท่านมอบสวรรค์พระพระนิพพานให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างพระนิพพานขึ้นมาด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำทานทรงสอนให้เรารักษาศีลทรงสอนให้เราภาวนาท่อ น, นี้คือเหตุคือการกระทำคือกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมที่จะพาให้จิตใจของเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ไปสู่การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะไปทางที่พุทธเจ้าได้สอนไปทางที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปกันเราก็ต้องทำตามที่พุทธเจ้าได้ปฏิบัติละได้นำเอามาสั่งสอนแก่พวกเราเราต้องมัติทำทางเราต้องพยายาม ตัดความโลภในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าอยากได้มากๆอย่าอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาไม่มีสมบสัติเข้าของเงินทอง เวลานั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขได้จะได้แต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราจะใช้การหาความสุขนี้เอามาทำบุญเราก็จะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความระงับความโลภอย่างได้สมบัติเข้าของเงินทองระงับความหวงความตณี ทำให้ใจของเรามีความสุขมีความเย็ยนสบายเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขกับการไม่โลภอยากได้เงินทองมีความสุขกับการไม่ต้องใช้เงินทองซื้อของต่างๆซื้อความสุขต่างๆนั่นเองอ น, นี่คือเป้าหมายของการทาทางเพื่อตัดการหาความสุขจากการใช้เงินทอง ซื้อความสุขต่างๆก็ะจะเป็นความทุกข์ถ้าไม่มีเงินทองพอไม่มีเงินทองก็ต้องไปทุกข์กับการหาเงินหาทองพอได้เงินทองมาก็เอามาใช้จนหมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขนี้เอามาทำบุญเราก็จะหยุดความอยากใช้เงินซื้อความสุขได้ เพราะเราได้ความสุขจากการทาทานแล้วเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนเราอยู่เฉยๆได้เพราะใจของเราไม่ได้มีความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆนี่เรียกว่าทานทำได้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขใจมากขึ้นไปมีความสงบมากขึ้นไป มีความอยากน้อยลงไปมีความอยากหาเงินน้อยลงไปมีความอยากใช้เงินซื้อความสุขต่างๆน้อยลงไปนี่เป็นความสุขขั้นต้นที่เราควรจะทำกันพอเราทำทานได้แล้วเราก็จะได้ทำความสุขขั้นที่สองไความสุขขั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาสนั่นเองถ้าเราใจบุญสูนทานเราก็จะมีความเมตตา จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้จะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นเราก็จะสามารถรักษาศิ่ได้อย่างง่ายไดย้เพราะเราจะไม่ชอบฆ่าสัว์ไม่ชอบรักษรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิด ต, ตเวณีไม่ชอบโกหกหลอกลวงไม่ชอบเสพสุรายาหมาพอเรารักษาศิลได้ใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น มากกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานเพราะใจของเราจะไม่มีความวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆกับวิบากกรรมต่างๆเพราะเราไม่ได้ทำบาปทากรรมเมื่อเราไม่ได้ทาบาป ก, ก็จะไม่มีวิบากกรรมตามมานั่นเองใจของเราก็จะมีความสงบพอที่จะทำให้เราก้าวขึ้นไปสู่ความสงบขั้นที่สามได้ ก็คือความสงบที่เกิดจากการภาวนาเวลาภาวนานี้ใจของเราต้องไม่มีกังวลกับเรื่องการทำมาหากินไม่มีความกังวลกับเรื่องวิบากกรรมต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ต้องทำมาหากินเรามีความสุขจากการทำทานถ้าเราทามาหากินเราก็ทำเพียงเล็กน้อย ทำพอให้อยู่ได้ไม่ต้องวุ่นวายหาเงินหาทองแบบไม่มีขอบมีเขไม่มีเวล่ำเวลาเราทำงานพอประมาณพอให้มีเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วเรามีเวลามาภาวนาจะดีกว่ามาทำใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เปความสุขที่เหนือความสุขจากการได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้การที่เราจะทำใจของเราให้สงบได้เราจึงต้องมีเวลาคือไม่ไปทำมาหากินแบบไม่มีเวลาว่างเลยเราต้องทำ มาหากินพอประมาณเพื่อเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำบุญมารักษาสิลมาภาวนาพอเราภาวนาได้ใจของเราก็จะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะอยู่เฉยๆได้จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจริญหรือเป็นการเสื่อมของสิ่งต่างๆ เพราใจของเราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งแล้วเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจก็คือมีความสงบนี้ความสงบนี้จะทำให้เราอิ่มใจสุขใจไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่ต้องมีอะไรก็ได้แม้แต่ร่างกายไม่มีก็ได้เวลาร่างกายจะตายไปก็ไม่เหลือรอนเพราะใจสามารถอยู่ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี่แหลคือความสุขของพระพุทธเจา้าความสุขของพระอาหารหันต์ทั้งหลายน่าจะเป็นความสุขของเราต่อไปถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้ปฏิบัติก็คือทำทานรักษาศีลภาวนาเจริญสติทำใจให้สงบ แล้วก็รักษาความสงบด้วยการปล่อยวางเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่อยากไม่ควรที่จะไปอยากได้สิ่งต่างๆเพราะถ้าได้มาแล้วก็จะต้องทุกขกับสิ่งต่างๆเราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆพราเรามีสิ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบ ภ, ภายในใจของเรา ขอให้เรารักษาความสงบนี้ไว้ดีกว่าด้วยการตัดความอยากต่างๆเวลาอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สอนใจว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์มากกว่าจะสุขถ้าไม่อยากแล้วจะสุขกว่าอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบจะดีกว่าถ้าสอนใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้จะไม่มีความอยาก ถ้าไม่มีความยากก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กกบพวกเราเพื่อให้พวกเราได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการทําบุญให้ตานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการภาวนานี ให้ท่านได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยืดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาใจัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญการในวันนี้จงเป็นเยื่เป็นปต่จัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้ำสุขกะละโดยทั่วหน้าการเธอ